คือชีวิตพื้นที่ตาบลยางหักถือเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากท่อที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีความลาดชันสูงในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำฝนจึงต้องมีการบริหารจัดการน้ำส่วนเกินเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแรง ที่ผ่านมากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแลง้งร่วมกับสำนัก ง, งานทรัพยากรน้ำภาค7ในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีและได้ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจันแห่งที่ 1. บ้านทายย่ายางหมู่ที่3โดยมีการขุดลอกลำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้าล้น ทำให้มีพื้นที่ความจุ ก, กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 3,700 ลูกบาทเมตรประชาชน84ครัวเรือนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังมีโครงการป ร, ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกกรูดบ้านยางคู่หมู่ที่6เป็นการขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้าได้เพิ่มขึ้นถึง 1,700 ลูกบาทเมตร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 กด5หรือ www.dwr.go.th